เข้าพรนศาเป็นวันหยุดราชการใช่ไหมถึงเวลาเข้าพรรษาจริงๆก็คือเวลาที่พระจะต้องเรียนให้หนักนี่ที่ผ่านมาไม่เฉพาะพระนะในสังคมของเราเนี่ยถึงเวลาเข้าพรรษาญนะาติโยมก็ต้องศึกษาธรรมะเหมือนกันอย่างคนแต่ก่อนนะัพอถึงเข้าพรรษานะก็จะงดกินเหล้างดออาใบยมุกอะไรอย่างเงี้ย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 ใช้วิธีเฉือนเราเฉือนเฉือนเฉนเือนเป็นเล็กๆแล้วสลายไปอีกนะก็เป็นจิตรู้ขึ้นมาอีกอีกวันหนึ่งเฉือนไม่เข้าแล้วเด้งดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึงะโสู้ยากกว่าจะจับหลักได้ว่าจริงๆแค่รู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดแล้วพอรู้ตัวนี้นะฝึกอยู่ได้สามเดือนแล้วเรามีจิตรู้แล้วนี่หลวงปู่บอกให้ดูจิตเราเห็นจิตแล้วรีบวิ่งเลยไม่ใช่วิ่งเราวิ่งไปขึ้นรถไฟะรถไฟมันวิ่งเราไม่วิ่งเระ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 ออาไปทานค้าไป